ความปรารถนาอย่างเดียวทำให้สาเร็จได้ไหมไม่ได้แต่ความปรารถนาเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญแต่เหตุสำคัญเขาบอกว่าความปรารถนานี่ก็เป็นครึ่งหนึ่งแล้วแหะแต่ว่าเหตุอีกครึ่งหนึ่งเลยนะย้อนกลับมาต่อไปว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยพอมองเห็นนาบุญท่านมองออกตลอดสายเลยใช่ไหมยาณสัมปยุตของท่านเนี่ยท่านมีปัญญาประกอบก่อนจะทำปับ๊บมีปัญญาประกอบล นนะรู้เลยว่าถ้าไม่ทําเสื่อมอย่างไรถ้าทําแล้วมีคุณานิสง์คุนานิสงเนี่ยแปลว่าคุณบวกอ น, นิสง์คุณที่เกิดจากการกระทํามีอะไรบ้างผลอ น, นิสง์แปลว่ากําไรกําไรที่เกิดจากการลงทุนทําบุญครั้งนี้คืออะไรเพราะนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยเขามองว่าการทําบุญก็คือการลงทุนอีกชนิดหนึ่งนั่นเองอนนะการลงทุนครั้งนี้ควรจะมีกําไรเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าทํากระเดาาน็นฉันกําไรเท่าไหร่ ทำกับมนุษย์มีกําไรเท่าไหร่ทํากับคนมีศินเป็นต้นมีกําไรเท่าไหร่เขาก็คำนวณกําไรออกมาได้แล้วเนี่ยนะว่าควรจะลงกับบุคคลเช่นใดที่ใดเมื่อไหร่อย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะพระมหาบุรุษนั้นะนะคันคิดอย่างนี้แล้วก็ถอดรองเท้าแต่ไกลเลยรีบเข้าไปไหว้พระประเจกับผู้แตเจ้ากล่าวว่าพระคุณเจ้าขอรับนิมนต์ไปยังโคนไม้ต้นนี้อันนี้นิมนต์ไปพักรอมไม้ก่อน เพื่ออนุเคราะห์กระผมด้วยเถิดอนุเคราะห์เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่ า, านิมนต์ท่านไปที่โคนไม้เพื่อปลดให้ผมพ้นจากความทุกข์ด้วยเถิดเออน่าคิดนะว่าช่วยปลดผมให้พ้นจากทุกข์ด้วยหน่อยอนะการที่พระประเจ ก, กพุทธเจ้ารับทานของมหาบุรุษหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะหมายถึงว่าพระปเจ ก, กพุทธเจ้าช่วยปลดเรื่องทุกข์ของพระโพธิสัตว์ เนื่องจากว่าตัวพระปเจกพระพุทธเจ้าเองนั้นสามารถรับอาหารจากบุคคลอื่นก็ได้เนี่ย น, นะใช่ไหม ค, คือคือท่านสามารถเลือกได้น ะ, ะอย่างว่าแผ่นดินชั่วชมพูทวีบ พ, พระท่านจะเหาะไปตรงตรงตรงไหนก็ได้แต่ตรงนี้นท่านมาเพื่อที่จะปลดเปลื้องทุกข์ของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ท่านก็เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นนิมนต์ท่านไปเพื่อช่วยปลดทุกข์ให้ผมด้วยเธอตอนนั้นท่านใครทุกข์กันแน่ถ้าเราดูภายนอก พระประเจ ก, กับพระพุทธเจ้าท่านกำลังทุกข์อยู่ข้างบนแดดก็ส่องให้ร้อนร้อนเหงื่อท่วมข้างล่างพื้นทรายก็ทําให้เหยียบร้อนเราพระโพธิสัตว์ตรงกันข้ามมีเท้าที่ใส่รองเท้าข้างบนก็มีร่มกั้นเดินมาในสายตาของเราก็บอกว่าสองคนเนี่ยพระประเจกกาลังทุกข์อย่างอย่างน่าสงสารที่สุดพระโพธิสัตว์กําลังสบายอย่างที่สุด แต่ในสายตาของผู้มีปัญญาพระโพธิสัตว์จะน่าสงสารที่สุดพระประเจกครับพุทธเจ้าเป็นคนที่น่าชื่นชมบอกท่านมีความสุขที่สุดท่านร้อนแต่กายใจของท่านไม่ร้อนเนี่ยนะขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์อนาคตอีก7วันอะไรจะเกิดขึ้นว่ายอยู่ในกลางทะเลเนี่ยนะพระประเจกท่านไปเข้าสมาบั ต, ติต่อไปอีกแล้วเนี่ยนะท่านสบายมันสองคนเนี่ยพระโพธิสัตว์พูดถูกต้องเพราะฉะนั้นเพื่อปลด เปลื้องผมให้พ้นจากความทุกข์เลยเถอะเมื่อพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็เข้าไปยังต้นไม้ต้นนั้นพระโพธิสัตว์ก็ขนเอาทรายเนี่ยมาพูนๆหน่อยแล้วเอาผ้าห่มเนี่ยปูทับพื้นทรายเพราะว่าคนที่ที่เขาทำบุญเนี่ยนะที่ที่มีปัญญาประกอบเขาจะแต่งก่อนเขาจะไม่ไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็ทำบุญไปแบบแนั้นนะคือต่างจากให้ทานกับขอทานที่เรียกว่าล้วงกระเป๋าแล้วควักจ่ายไปเลย ได้หยิบยื่นให้ไปเลยแต่นี่เจอนาบุญที่ดีเนี่ยนะเขาจะไม่เอาบุญแต่อย่างเดียวขณะเดียวกันเขาเอาบุญประเภทคาระวะด้วยทําบุญประเภทอ่อนน้อมด้วยคือกฎเกณฑ์ของการของของกรรมเนี่ยก็มีอะไรบ้างนะทำไมบางคนอายุยาวอายุสั้นสุขภาพดีสุขภาพไม่ดีมียศมากมีศักดิ์มากมียศน้อยบางคนเนี่ยมีโพคะมากมีโภคะน้อยเป็นต้นเนี่ยเกิดจากอะไรใช่ไหม เกิดจากอะไรเอาแบบธนางเมาริกาก็ได้ง่ายดีทําไมผู้หญิงบางคนเกิดมารูปรูปเลวมากจนจนกลุ่มที่1กลุ่มที่2รูปเลวมากแต่รวยกลุ่มที่3มรูปงามมากแต่จนจนรูปกลุ่มที่4อะไรนะสวยด้วยรวยด้ว ย, วยกลุ่มแรกก่อนจนจนแล้วก็ขี้เรศต่างหากก็ขี้โกรธมากแล้วก็ขี้เนียวอีกต่างหาก ขี้เหนียวก็ปานนั้นอะนสุดยอดเลยขี้โกรธก็มากยังก็เป็นฟืนเป็นไฟอย่างั้นน่ะเขายังไม่ทันว่าอะไรสักหน่อยเนี่ยนะทั้งนี้โกรธไปเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่สองอะไรนะไม่สวยแต่รวยก็คือขี้โกรธและให้ทานกลุ่มที่สามสวยก็ไม่โกรธแต่ว่าขี้เหนียวกลุ่มที่สี่เอาทั้งสองอย่างแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งก็คือต่ำสักก็คืออ่อนน้อมกับ ไม่อ่อนน้อมอันนี้พระโพธิสัตว์ท่านก็เห็นเลยท่านก็ปูผ้าหม่มปูผ้าห่มไว้บนพื้นทรายนะเมื่อพระปเจกับพระพุทธเจ้กก า, นานั่งท่านก็กราบไหวอันนี้ก็คือเหตุให้เกิดในตระกูลสูงเอาน้ํามันเนี่ยนะเอาน้ํามันที่กรอเออขออภัยเอาน้ําที่กรองเอาไว้แล้วล้างเท้าของพระปเจกับพระพุทธเจ้กก า, น า, นานเอาน้ํามันในหอมเนี่ยทาเพราะว่าเออเหยียบพื้นทรายที่ร้อนระอุเนี่ยถ้าทาน้ํามันเนี่ยนะ มันจะทําให้ไม่อะไรนะไม่งั้นมันจะลอกเลยนะเนื้อระหว่างเนื้อกับผิวหนังมันจะลอกกหลุดจากกันเลยแต่นี้ถ้าทา น, น้ํามันก็ทําให้ไม่ไม่ช้าไม่อะไรเป็นต้นเดียวกันการทา น, น้ํามันก็เป็นการช่วยสมัยใหม่เขาเปลี่ยนเป็นอะไรก็เรียกอะไรนะครีมเป็นต้นเดก็เป็นอะไรนะเป็นคล้ายๆกลุ่มน้ํามันใช้คําว่าโลชั่นนั่นนะน้ำมันนั่นแหละคือโลชั่นนะั่นะเสร็จแล้วก็ รองเท้าเนี่ยนะก็ใช้รองเท้าคู่ที่ตัวเองใสามาเนี่ยนะมาเช็ดให้สะอาดซะก่อนเช็ดขัดด้วยน้ํามันขัดด้วยน้ํามันน้ําหอมแล้วก็ถวายสวมเท้าพระปเจกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระคุณเจ้าครับนิมนต์สวมรองเท้านี้แล้วกลางร่มนี้ไปเถิดขอรับก็ถวายร่มแล้วก็ถวายรองเท้าแม้พระปัเจกพระพุทธเจ้านั้นเมื่อมหาบุรุษแลดูเพื่อความเลื่อมใสให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะ รับร่มรองเท้าเสร็จก็เหาะไปยังเวหาเพื่อภูเขาคันธมาจริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าพระบาเจตท่านไม่ต้องมาเดินให้ร้อนก็ได้ใช่ไหมแต่ที่ท่านมาเดินให้ร้อนด้วยใจสงเคราะห์ใจกรุณาเนี่ยนะต้องการเพิ่มภูณประโยชน์ให้แก่พระโพธิสัตว์ขณะเดียวกันเพื่อต้องการปลดเรื่องความพระโพธิสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์เนี่ยนะก็ยอมคิดดูนะจะสงเคราะห์คนอื่นตัวเองลําบากขนาะดนี้นะก็บอกว่า ลักษณะอันหนึ่งของกรุณาเนี่ยคือบอกับเบียดเบียนผู้มีใจกรุณาก็ได้เพราะว่าเพราะกรุณาเป็นปัจจัยนี่แหละเนี่ยนะเดือดตัวเองเนี่ยเดือดร้อนเหมือนกันเถอะเพราะว่ายังยังสาธุชนหรือยังคนดีให้เดือดร้อนเนี่ยนะเพราะกรุณาอันที่จริงเนี่ยพระโพธิสัตว์ถ้าัแม้กระทั่งพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านมาทนทุกข์อยู่เสียสงไข่แสนกับก็เพราะกรุณาเนี่ยแหละทาให้ท่าน เดือดร้อนเนี่ยนะเดือดร้อนแต่ขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ควรชื่นชมถ้าใจกรุณาอันนั้นไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นของเราทั้งหลายถ้าเกิดมาในยุคสมัยที่มนุษย์อายุกิเลสมากขนาดนี้ไม่มีพระพุทธศาสนาด้วยไม่มีคำสอนเป็นปัจจัยเกื้อกูลในสังคมสิ่งแวดล้อมแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นสงสัยขนบาบไปคนละห ล, หลายสิบทังเลยนะยิงกับขนน้ามันไอรถใส่น้ามันเนียนะมันทุกข์กัน ถ้าถ้าเราไม่ได้สั่งสมบูรณ์มาเนี่ยเราก็บรรทุกอะไรบรรทุกอาวุธไปเพื่อไปอะไรเขาบอกว่าแหมอ้างดีนะไปปลดเปลื้องให้เขาพ้นทุกข์มาอาระเบิดไปใส่บ้านเขาบอกว่าช่วยเขาให้พ้นทุกข์แม่คือคือมันก็จะวิปริตแบบนัน้นก็จะเข้าใจผิดพลาดขนาดนั้นไปฆ่าเขาบอกว่าช่วยให้เขาสบายะไปฆ่าให้เขาตายบอกส่งเขาไปสวรรค์ว่าไป น, นั้นเพื่อที่ที่ถ้าหากว่าไม่มีาศาสนาไม่มีคําสอนเนี่ยนะ พร้อมที่จะทำบาปแล้วอ้างอ้างบุญย้อนกลับมาใหม่นะเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าะรเราคิดอย่างนี้แล้วคิดคิดอย่างนี้คิดอะไรสรุปคิดอย่างนี้คิดอะไรคิดว่าบุญยเขตนี้มาถึงแก่เราผู้เป็นสัตว์ที่ต้องการด้วยบุญ เปรียบเหมือนชาวนาเนี่ยนะเห็นนาที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ําถ้าหากว่าไม่ปลูกพืชลงในนานั้นเขาก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ต้องการด้วยข้าวเปลือกชั้นใดเราก็ชั้นนั้นเหมือนกันเป็นผู้ต้องการบุญเห็นบุญยเขตอันประเสริฐสุดแล้วถ้าไม่ทําบุญคือสักการะบูชาเนี่ยนะเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ต้องการบุญพอคิดอย่างนี้แล้วก็ถอดรองเท้าไหว้เท้าของท่านแล้วก็ถวายร่มแล้วก็ถวายรองเท้าไป พระโพธิสัตว์เห็นอย่างนั้นก็มีใจเลื่อมใส ย, ยิ่งนักเนี่ยนะคือพระประเจกับพรุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่ต้องการรักษาเจตนาของผู้ทําบุญเนี่ยให้เป็นเจตนาในการสามที่บริสุทธิ <c> ์ <oughs> คือก่อนทําใจก็เลื่อมใสนะเห็นคนที่มีศรัทธาเนี่ยนะมีใจน้อมไปเพื่อจะให้ทานเห็นเขาเดือดร้อนเนี่ยปุพพะเจตนาเนีดีแล้วตอนให้ก็ให้ด้วยจิตใจที่เลื่อมใสพอรู้ว่าคนที่รับทานเหอะได้ด้วยเป็นยังไง โอยใจยิ่งเลื่อมใสามากขึ้นนะนะโอ้ยได้นาบุญชั้นเลิศแล้วเนี่ยนะก็ก็ทำบุญไปเสร็จแล้วก็ทุระของตัวก็ยังทุระของตัวนะก็ขึ้นเรือไปยังปัตตนาคามครั้นเมื่อพระโพธิสัตว์เนี่ยข้ามมาหาสมุทรไปในวันที่เจ็ดเรือก็ทะลุเนี่ยนะเรือโบราณเนี่ยนะเป็นเรือไม้ใช่ไหมเป็นเรือไม้ขนาดเรือเหล็กเรือถ้าหากเรือเหล็กไปชนโขดหินชนอะไรเข้าก็ยัง ยังเสียหายเหมือนกันเนเี่ย เ, เรือเดินทะเลก็เหมือนกันเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าเบื้องล่างมันมีอะไรบ้างมีโขดหินมีอะไรบ้างก็ไม่รู้มันก็ไปก็ไปชนโขดหินเป็นต้นเรือก็ทะลุพวกทาทกรรมกรก็ไม่สามารถที่จะวิชน้ําออกจากเรือได้ผู้คนต่างก็กลัวมรณะภัยนะพอกลัวมรณะภัยใครมีเทวดาผีเออผีสงังเทวดาที่ไหนที่ตัวเองนับถือก็ว่ายร้องให้เสียงระงมไปหมดเนี่ยนะ เทวดาช่วยด้วยเทวดาช่วยด้วยนะก็แล้วแต่ใครนับถืออะไรก็ร้องอ้อนวอนพระโพธิสัตว์ก็พาคนรับใช้ของตัวเองคนหนึ่งไปแล้วก็อาบน้ําเอาน้ํามันเนี่ยทาตัวเนี่ยนะเอาน้ํามันเนี่ยทาตัวเพราะอะไรมาคือการทาน้ํามันก่อนลงน้ำเนี่ยนะ เ, เป็นความฉลาดอย่างหนึ่งนะเป็นประโยชน์ข้อย่างดีอย่างหนึ่งเหมือนกันเสร็จแล้วก็บริโภคน้ําตาลกรวด กับเนยใสเอาเนยใสผสมกับน้ำตาลกรวดแล้วก็บริโภคตามความต้องการเสร็จแล้วก็ให้คนใช้เนี่ยทำอย่างนั้นบ้างแล้วก็ขึ้นบนยอดเสากระโดงเรือกับคนรับใช้กาหนดทิศทางวันนี้เมืองของเราอยู่ในเมืองนี้นะบอกว่ า, วาเออนะคิดถึงอะไรก่อนอย่างว่านะใครอยู่ที่ไหนก็ต้องคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนอนะเพราะฉะนั้นบ้านเกิดเมืองนอนเราอยู่ทิศนี้แหละ ตั้งสัจจะธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานนะตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อให้พ้นจากอันตรายคือปลาและเต่าถ้าไม่อธิษฐานไม่พ้นนะแต่ด้วยอํานาจของการตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วก็ก้าวก้าวลงอย่างที่ประมาณอุปสะพหนึ่งกับคนรับใช้ก็คือกระโดดไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลออกไปได้เพราะอะไรถ้าเรือแตกแล้วนะเศษไม้นะี่จะมาตีก่อนนะ ไม่ใช่อะไรที่ไหนอย่ามาตีหรอกรเศษไม้เศษอะไรนะี่แหละมาตีก่อนนั่นก็โดดไปให้ไกลรัศมีของเรือที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็พยายามว่ายข้ามมหาสมุทรมหาชนที่เหลือเนี่ยนะพวกที่อยู่เกาะเรือก็ตายเฝ้าเรืออยู่นั่นแหละเป็นผีเฝ้าทะเลเนี่ยเลยเขาเรียกอะไรอผีทะเลด้วยเอาผีเฝ้าทะเลไนะเขาเรียกว่าผีทะเล เขาจะกจุติเรียบร้อยแล้วปฏิสนธิที่ไหนดีนอ้อยน้อยนักที่จะไปดีนะที่ตายลักษณะนั้นด้วยจิตใจที่ก็แล้วแต่นะถ้าผู้ที่มีมีบุญนึกถึงบุญนึกถึงอะไรเป็นต้นเนี่ยก็พอจะไปดีได้บ้างแต่ที่แน่ๆว่าทําไมปลานในทะเลมันมากเหลือเกินไปไหนกันหมดในหะ็นไหมพระโพธิสัตว์ก็ ข้ามน้ำนั่นอยู่เจ็ดวันไหวข้ามน้ำอยู่เจ็ดวันถ้าหากว่า <c oughs> คิดให้ดีๆนะถ้าคนที่ไม่มีไม่มีอัธยาศัยในเรื่องบุญไม่มั่นคงในเรื่องบุญเนี่ยนะบอกว่าอะไรกันฉันให้ทานตั้งโรงทานเนี่ยนะให้ทานวันละหกแสนวันละห00อยู่เป็นบีบีนี่เพิ่งผ่านมาก็ยังทำบุญกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามายกๆยก อะไรจะเลวไรขนาดนี้ถึงเรือมาแตกหรือบุญมันไม่มีผลกันแนะ่ก็จะเอาผลบุญอาจจะเอาบุญมาปนกับบาปแหละเอาเอาผลบุญมาปนกับบาปแล้วนะคนนี่เป็นอย่างนี้จริงๆนะชอบโยงในสิ่งที่ไม่ควรจะใหญ่คือคือไม่ไม่รู้ไปโยงทําไมเอาบุญมาโยงกับบาปปนเปกันไปหมดเอาผลบุญก็ผลบุญสิถ้าบุญมีผลแล้วผลบาปจะเอาไปไว้ไหนนะอนะ่ะนนนถ้าเราเชื่อว่าผลบุญมีจริง แล้วทำไมไม่เราไม่เชื่อว่าผลบาปก็มีจริงผลบุญกับผลบาปมันให้ควบคู่กันได้ไหมไม่ได้แต่ในะนี้โอกาสแห่งบาปก็ให้ผลเนี่ยนะบางคนก็เลยเพราะทำบุญแท้ๆจึงได้เสียหายแบบนี้เนี่ยนะนี่นี่ขนาดจะมาสแสวงหาทรัพย์เพื่อไปทำบุญนี่บุญมันไม่ช่วยปกปักรักษาทำไมเรือมาแตกอับปางอยู่กลางทะเลเนะแต่ถ้าพระโพธิสัตว์คิดอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเป็นปลาเป็นเต่าอยู่นั่นแน่นอนแะ แต่ท่านก็ไม่คิดอย่างนั้นถึงเรือจะแตกไปนเนี่ยนะใจของท่านก็ไม่เปลี่ยนไปจากบุญเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็เอาน้ําเข็มบ้วนปากรักษาอุโบสถไหว้ข้ามอยู่เจวันนะเนี่ยจริงๆเนี่ยแสดงว่ากรรมที่ที่ทำให้เรือแตกพระโพธิสัตว์เนี่ยถือว่ากรรมหนักมากเลยนะเพราะอะไรขนาดเพิ่งทําบุญกับพระประเจกมาเนี่ยนะปกติบุญนี่จะให้ผลภายในเจวัน ปกติแล้วจะให้ผลภายใน7วันแต่นี้ลงมาสู่ทะเลวันที่เเรือแตกแล้วก็ว่ายอยู่อีก7วันเนี่ยนะก็15วันผ่านไปใช่ั้ยแสดงว่ากรรมนี่หนักมากเลยนะถ้าไม่ทำบุญกับพระประเจกอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะแสดงว่ากรรมที่มาเล่นงานตามเบียดเบียนนี่หนักหนาะสาหาัสเพราะฉะนั้นใครที่เวลาทำบุญทำกุศลเยอะๆถูกดา่าบ้างถูกตาหนิถูกอะไรทรัพย์สินเสียหายก็อย่า อย่าเอาสิ่งเหล่านี้ไปปนกับบุญเพราะเราก็ไม่ได้เคยทำบุญมาตลอดที่ไหนและจะเอาผลบาปไปเก็บไว้ไหนใช่ไหบางคนก็ชอบโยงยิ่งโยงก็ยิ่งยุ่งเลยกันนี้แต่นี้ท่านก็ไม่เปลี่ยนไปจากบุญคือแยกแยะในความเป็นกุศลและอะกุศลออกแยกแยะผลแห่งบุญแยกแยะผลแห่งบาปออกว่าอะไรเป็นผลบุญอะไรเป็นผลบาปก็ไม่เอามาคละเคล้าปะปนกันไปหมดเนี่ยนะ ก็ยังมีจิตใจไม่ทิ้งในคุณงามความดีสมท า, านอุโบสถต่อไปเนี่ยนะก็สมท า, านอุโบสถอัจชมอุโบสถวันนี้เป็นวันอุโบสถของเราข้าพเจ้าขอสมาทานอุโบสถองค์ที่หนึ่งคือคืออะไรก็ก็กล่าวไปเนี่ยนะอันก็สมท า, านอุโบสถครั้งนั้นนางเทพพัทธิดามณีเมฆคลาเนี่ยนะ ที่เท้าจตุโลกบาลคือเท้ามหาราชทั้งสีตั้งเอาไว้คอยดูแลบุรุษผู้วิเศษเช่นนี้คือคือเขามีเทวดาที่ดูแลผู้ที่ที่ทบุญเหมือนกันนะที่จริงแล้วเราวอาคนดีผีคุ้มครองอ่ะนะก็คือนี่แหละเรียกว่าคนดีเทวดาปกปักรักษานั่นแหละมันช่วงนั้นเนี่ยก็เผลอไปคิดดูนะถ้าใครที่บาปจะให้ผลขนาดว่าคนดูแลยังเผลอเลยเขาบงั้น ถ้าบาปมันจะให้ผลใ น, นนี้ฉันใดขนาดมีเทวดาที่ปกติคอยรักษาอยู่แล้วอ่ะนะแต่กรรมที่พระโพธิสัตว์เคยทำมาสงสัยหนักมากนะหนักมากกรรมเหล่านั้นจึงตามเล่นงานเนี่ยนะก็นึกดูอ่ะนะก็ไปเขย่าเรือคนอื่นแตกไว้แค่ครั้งเดียวแค่นั้นเลยกรรมเหล่านี้เขาบอกว่าบุญหรือบาปก็ตามที่ทำครั้งเดียวไม่ใช่ว่าให้ผลครั้งเดียวให้ผลกี่ครั้งดี ก, กี่ครั้งกี่พบพิชาติ 500นะไอห้าร้อยชาตินะไม่ใช่ห้าร้อยครั้ง <g ül> แล้วแต่และชาติเนี้กี่ทีกี่รอบเป็นต้นเนี่ยนะเนี่ยไปแกล้งใครเอาไว้เนี่ยไประเบิดเรือไปจมเรือคนอื่นไว้แค่ครั้งเดียวแค่นั้นเลยเละตลอดเลยนะนี่ก็เหมือนกันขนาดเทวดาที่เขาแต่งตั้งมาให้คอยดูอะไรยังเผลอไปเลยบบงนั้นเผลอไปเจ็วันนะด้วยความเป็นใหญ่ของตนในวันที่เจ็ดก็ได้เห็นพระโพธิสัตว์สังเวชใจขึ้นมาทันทีเลยนะสังเวชใจว่า สังเวทใจนะที่จริงกรนคิดถึงตัวเองก่อนนะถ้าหากว่าบุรุษนี้ตายในมหาสมุทรเราต้องได้รับคําติเตียนอย่างมากมายรู้ตัวเองเดือดร้อนแน่งานนี้ถ้าหากว่าช่วยพระโพธิสัตว์ไม่ได้เนี่ยนะถ้าเกิดท่านตายในระหว่างเนี่ยเราเสียหายแนย่ก็เลยเอาอาหารทิพ บ, บัญจุลงในภาชนะทองคํารีบมากล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าท่านพระามท่านบริโภคอาหารทิพนี้เถิดพระโพธิสัตว์มองดูเทพพระธิดานั้นก็ปฏิเสธว่าเราไม่บริโภค เรารักษาอุโบสถนะนะคิดดูนะเจ็ดวันเนี่ยนะจะเอาศีลนี่จะเอาเอาอาหารดีนะเอาศีลเดีเอาอาหารดีเนาะแม่ตอนฟังนี่บ่าเอาศีลเอาศีลแต่ตอนหิวเนี่ยนะโอ้ยศีลจงยกไวอนเนี่ยนะนก็ต้องดูว่าขนาดไหนด้วยจ้ยเมื่อใดเนาะเราจะรักษาศีลขนาดนี้นะใจห่วงแหนศีลขนาดนี้ พระบุตริศก็ถามเท พ, พัธิดานั้นว่าท่านเชื้อเชิญเราเป็นอย่างดีท่านกล่าวกับเราว่าเชิญบริโภคอาหารดูกอ น, นารีหญิงผู้มีอนุภาพมากนารีนี่แปลว่านางะนะดูกนหญิงผู้มีอนุภาพมากเราขอถามท่านท่านเป็นเทพพธิดาหรือเป็นมนุษย์ท่านสังกะพราหมณข้าพเจ้าเป็นเทพพธิดามีอนุภาพมากมาในถ้ำกลางมหาสมุทรนี้ มีความสงสารไม่ได้มีจิตคิดประทุษร้ายเรามาในที่นี้ก็เพื่อประโยชน์แก่ท่านนะสงสารก็กรุณาใช่ไหมน้อมนำมาซึ่งประโยชน์ข้าพเจ้าขอมอบข้าวมอบน้ำที่นอนที่นั่งและยานหลายชนิดแก่ท่านทั้งหมดขอท่านนำไปใช้ตามความปรารถนาเถิดพระโพธิสัตว์พอฟังแล้วก็คิดว่า ข้าพเจ้าให้สิ่งนี้สิ่งนี้แก่ท่านบนหลังมหาสมุทรก็เทพพิธิดานี้กล่าวคําใดแก่เราแม้คํานั้นก็สําเร็จด้วยบุญของเราเขาให้ดเราได้หรือให้เราไม่ได้ก็อยู่ที่บุญของเราใช่ไหมถ้าหากว่าให้ได้นะถ้าทุกอย่างในโลกนี้ให้ได้โดยที่ผู้รับไม่จําเป็นจะต้องทําบุญมาเนี่ยนะทุกคนมีใครเดือดร้อนหรอ เชื่อไหมเพราะคนที่เขาตั้งใจจะให้มีมากมายเหลือเกินแต่คนไม่มีบุญเลยไม่รู้จะรับเอาได้ยังไงเนี่ยนะเพราะถือว่าสมบัติในโลกนี้เป็นของคนมีบุญพระโพธิสัตว์ท่านไม่ท่านไม่เผลอ ER. เมื่อท่านไม่เผลอ ER, ท่านเข้าใจว่าคนที่เขาให้เราได้จริงๆเนี่ยนะแสดงว่าเราก็ต้องมีมีบุญมาบางคนในฟังอย่างนี้ก็เลยเถิดไปเอกก็บุญของเราเนี่ยแหละคิดแบบพระเทวทัตนี่ยนะพระเทวทัตเขาคิดยังไงนะพระเทวทัตทรงพระลายปิฎกนะ พระเทวทัตหลังจากแกทรงพระไตรปิฎกบ่ายเขาบอกว่าพระสัม ม, โโมาสันพุทธเจ้เ า, าไม่ได้มีบุญคุณอะไรเพราะเราอุตส่าห์ร่เรียนของเราเองเอนะคนอกตัอยู่ก่น้อมไปจะคิดแบบนั้นีบางคนนี่มันก็เลยทงอีกนะไปาพอดีมันค่อนข้างยากนะมนุษย์เนี่ยมันหักซ้ายเกินก็หักขวาเลยตกเขาทั้งคู่นั่นแหละ หักซ้ายเกินหักขวามากเกินไปก็ให้พอดีพอดีหน่อยสินะแยกบุญแยกบาวให้มันชัดๆหน่อยนี่นี่ก็เหมือนการพระโพธิสัตว์ท่านไม่เผลอคือในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าท่านไม่ระลึกถึงคุณของเทวดาแต่ขณะเดียวกันถ้าท่านไม่ทําบุญมาเทวดาจะมาช่วยท่านหรืเหอเนี่ยนะก็ต้องแยกทั้งคู่เลยนะในความมีอุปการะกับอุปการะไปแต่ขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็ได้ด้วยผลบุญของท่านก็บอกว่า เ ท, เทวดานี่จะรู้จักบุญของเราหรือหรือว่านางเนี่ยเทวดานี่จะไม่รู้จักบุญของเราก็เลยถามว่าดูก่อนนางผู้มีรูปร่างที่งดงามมีคิ้วงามเป็นต้นเนี่ยนะเป็นที่อิสระแห่งบุญหมายความว่าบุญเนี่ยตกแต่งให้งดงามกรรมทั้งหมดของเราท่านท่านทำการบูชานะบูชาเราต้อนรับเชื้อเชิญเราเป็นอย่างดีนี้เป็นผลแห่งกรรมอะไรของเรา นะถามหาเหตุของตัวเองนะว่าตัวเองทำบุญอะไรมาตัวเองทำบุญอะไรมาเนี่ยนะเทวดาจึงมามาให้มาต้อนรับมาเชื้อเชิญมาบูชามายกย่องทำบุญอะไรมาเนเะทวดาจึงได้นับถือบูชาอย่างนี้นะนะคือเข้าใจไม่ผิดนะนะบทว่ากิสเมคือทีอ่นี่เป็นผลแห่งกรรมอะไรที่เราทำเอาไว้แล้วเราจึงได้ที่พึ่งในวันนี้ ในมาหาสมุทิที่หาที่พึ่งมีได้ทำบุญอะไรมาเนาะจึงมีคนมาช่วยมาเหลือมาเกื้อมาคูนแบบนี้ น, นะทำบุญอะไรมายอมทำบุญอะไรมาจึงได้ฟังธรรมางเงี้ยนะตั้งคำถามแล้วเนี่นะเทพพธิดาได้ฟังอย่างนั้นก็คิดว่าพรามนี้ไม่รู้กุศลกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้เพราะเหตุนั้นคงจะถามเราเพื่อจะแกะรู้เราจะบอกกับเขา เมื่อจะบอกถึงเหตุอันเป็นบุญที่พราหมณ์ได้ถวายร่มถวายรองเท้ า, านะที่ได้ทํามากับพระประเจกับพุทธเจ้าในวันขึ้นเรือจึงกล่าวเป็นคาถาตอบว่าท่านสังกะพราหมณ์ท่านได้ถวายรองเท้ากับภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเหยียบลงบนทรายร้อนเดือดร้อนลําบากในทางอันร้อนระอุทักษิณานั้นนะคือการทําบุญนั้นนะ่ยให้ผล เ, เป็นผลให้ความปรารถนาแก่ท่าน ในวันนี้บุญที่ท่านทำเอาไว้ในวันที่ขึ้นเรือบุญอันนั้นตามมาให้ผลในแก่ท่านในบัดนี้พระโพธิสัตว์ได้ฟังอย่างนั้นก็ยินดีว่าเราถวายร่มและรองเท้าเป็นผลให้สำเร็จความปรารถนาทั้งปวงในมหาสมุทรอันหาที่พึ่งไม่ได้เห็นปานี้ ปลื้มใจว่าเราได้ถวายทานดีแล้วสุทินังวัตเเมทานังทานที่เราได้ทำเนี่ยเป็นทานที่เราทำไว้ดีแล้วนะ่าปลื้มใจจริงเนาะบุญนี่เนี่ยเวลามันให้ผลนี่มันเป็นอย่างงี้ใช่ั้ยปลื้มใจเนี่ยถ้าบาปตามมาให้ผลเนี่ยจะอะไรจะเกิดขึ้นเสียววูบเลยนะเสียวสันหลังวูบงานนิดตายแน่โอจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งอะนะเวลาบาปมันให้ผลเนี่ยนะเสียวม แต่เวลาบุญมันให้ผลเนี่ปลืม้แมแหม้บุญที่เราทาไว้เนี่ยทาให้ดีแล้วเนี่ยนะก็เลยกล่าวว่าเรือลำนั้นมีแผ่นกระดานมากไม่ต้องขวนขวายหาประกอบด้วยลมพัดเฉยๆในมหาสมุทรนี้ไม่มีพื้นที่ของยานอื่นเราต้องการไปถึงเมืองโมลินีนะครได้ในวันนี้โอ้ยจะกลับบ้านแล้วเนี่ยนใจมันก็คิดถึงแต่บ้านเนี่ยนะ ค น, นมันจะไปไหนเนี่ยะคะคิดถึงแต่ที่ที่ตัวเองเคยอยู่สุขสบายนยนะที่ได้เจริญกุศลคุณงามความดีก็เนิกถึงอะไรนะที่ที่เคยอยู่ก็บอกว่าจะกลับบ้านแนละ้วเทพธิดาได้ฟังคำของพระโพธิสัตว์ก็มีจิตใจ ย, ยินดีร่าเริงก็เนรมิตเรือสำเร็จด้วยแก้วทุกชนิดเนี่ยนะเรือนี่ยาวแปุสพาโอถือว่าใหญ่มากนะกว้างสี่อุสพก็ถือว่าเป็นเรือก็ เท่ากับเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยนะเรือนี้ก็เท่ากับเรือบรรทุกเครื่องบินนั่นแหละเป็นเรือที่กินน้ําลึกไปเป็นอุสภะหนึ่งอะนะก็คือสรุปว่าดีไม่ดีจะใหญ่กว่าเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยซ้ําไปถือว่าเรือใหญ่มากพอเนรมิตรเรือนี้ที่สําเร็จด้วยแก้วอินทนิลนะเป็นเรือที่เต็มไปด้วยเงินและทองนะเป็นเรือเงินเรือทองเนี่ยนะเสาก็เสากระโดงพายและหางเสือ บนเรือนี่ก็เต็มไปด้วยเงินและทองแก้วรัตนะเจประการ เ, าเสร็จแล้วก็จูงมือพรามนี่ให้ขึ้นเรื อ, อนะก็เรียกว่าก็ไปจับมือเขาแปลว่าง่ายว่าฉุดมือขึ้นในดั้งอยู่บนเรือแต่เทพพัทธินั้นมองไม่เห็นคนรับใช้ของพรามอา้าวว่ายน้ําอยู่ด้วยกันสองคนคนหนึ่งมองไม่เห็นเทวดามองไม่เห็นที่จริงเทวดามีตาทิพย์นะนะ แต่ที่มองไม่เห็นคือไม่เห็นบุญพอที่จะช่วยออกมาได้ไม่เห็นคือคนเนี่ยนะมันจะช่วยใครมันต้องช่วยคนมีบุญใช่ไหมไอ้คนไม่ได้ทําบุญมามจะไปช่วยเขายัางไงไม่เชื่อฟังทำวันนี้ดูแล้วไปเล่าให้คนที่บ้านฟังดูเถอะถ้าใครมีอัธยาศัยทางนี้นะยังพอจะเล่าให้ฟังได้บ้างนะบางคนเนี่ยได้ฟังมานี่เงียบเลยนะโอ้ยปิดปากยิ่งก็รูดเซฟซะอีกนะยิ่งกว่าปิดพาสตเตอร์เองยองเขาบอกว่าปิดพาสตเตอร์ไว้ที่ปาก เพไม่รู้จะไปเล่าให้เขาฟังยังไงใช่ไหมคนที่ที่นี้ก็เหมือนกันนะคนที่จะพ้นจากทุกข์ได้ก็ต้องเป็นคนที่มีบุญนี้คนรับใช้ของพราหมณ์ไม่ได้ทําบุญมาแต่พราหมณ์นั้นก็ฉลาดนะสังกพราหมณ์นี่ฉลาดก็เลยอุทิศส่วนบุญที่เกิดจากความดีที่ตนทําไว้แล้วแก่พราหมณ์นั้นแก่คนรับใช้นั้นเขาก็อนุโมทนาพระโพธิสัตว์นี่ท่านฉลาดท่านก็รักลูกน้องนะ บอกเพื่อนฉันได้ทำบุญมาในวันขึ้นเรือเนี่ยนะนะได้ทำบุญกับพระปัจเจกกับพุทธเจ้าถวายร่มถวายรองเทา้าฉันยกส่วนบุญเหล่านี้แบ่งให้แก่เธอขอเธอจงอนุโมทนาคนรับใช้ก็บอกสาธุเจ้านายอย่า ง, งนะั้นอนุโมทนายินดีด้วยนะกับบุญอ น, นันเทวดาก็เลยมองเห็นนะมองเห็นว่าเป็นคนมีบุญก็เลยจูงรับมือคนรับใช้นั้นขึ้นเรือ ก็ให้เรือไปจนถึงเมืองโมลินีนครนั่นเองเอาทรัพย์ไปตั้งไว้ที่เรือนของพราหมณ์แล้วก็กล้าไปยังที่อยู่ของตัวเองนะเทวดาก็คิดถึงวิมานของตัวเองนะกลับวิมานน่ะนะทำบุญสาเร็จแล้วนะสรุปว่าพระองค์ตรัสว่าเทพพร ธ, ธิดานั้นปลื้มใจดีใจมีใจเ อ, อิบอิ่มเนรมิตเรือที่สวยงามพาสังกรพราหมณ์พร้อมด้วยคนรับใช้ส่งถึงนครเรียบร้อยนี่นนะ